ทำวัดสวดมนต์บังธ ร, รมตามกิจวัตรของพวกเราและวันนี้เราเป็นวันธรรมศรีวนละแปดคำเดือนเก้าแล้วแป๊บเดียวถึงวันแรมแปดคำแล้วเหนคืนล่วงไปล่วงไปวันนี้เราทำอะไรอยู่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 กลไรเไปไม่ค่อยถึงเพื่อนนิดอยู่ไปชุยไปจายกันไม่รู้ว่าเป็นยังไงอ้ไ้ไปถามไทยไม่พบกันเลยก็ไม่ต่จากฉะนั้น <c oughs> เราจึงไม่ประมาทโดยเฉพาะช่วงฤดูเข้าพรรษาให้มันเข้าพรรษาจริงๆิหยุด ทุกอย่างถ้า พ, พอที่จะหยุดได้ะเย็นทุกอย่างสิ่งไหนที่พอจะเย็นได้วางทุกอย่างสิ่งไหนที่พอจะวางได้ให้มันมพิเศษกว่าฤดูอื่นๆเทศกาลอื่นๆตรมากอื่นๆเพื่อให้เป็นพิเศษสําหรับที่เราจะต้องทําความดีถ้าเราไม่คิด อดีตที่ผ่านมาคิดถึงโน้นสมัยครังพระพุทธเจา้าสมัยหี่เาสาวกกว่าจากลทัญญาและนำหมู่สงฆ์มอถึงพระพปฏิสะพระโสมนะสนำศาสนามาเผยแพร่พวกเรา ที่ประเทศไทยมาถึงครูบาอาจารย์ต่อที่ภายกันมามาถึงยุคล่มลุกครุกคานบ้างประเทศพมา่ามาลุกลานเผาตำรับตำลาทำลายถาวนรนวัตถูในทางพระศาสนา จนมาถึงต้องแช่มาบรรพบุรุษของพวกเราจนมาถึงยุคไกลๆพอที่จะได้กิดได้อายมาในเรื่องของครัวอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องวิปัสสนากรรมฐานหลวงพ่อหมั่นหลวงพ่อมหาบานหลวงพ่อมหาบัวสายวิปัสสนากรรมฐาน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 อะไรที่เป็นธรรมวัดปฏิบัติที่เราจะสัมผัสได้เก็บเอาไว้มอนกับคอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลเก็บข้อมูลเอาไว้โดยเฉพาะการเจริญสติกนะถ้าเราจะตามรอยบางตามรอยพระยุคลบพระพุทธเจ้าทำอย่างไร <c oughs> เร า, า, าพระสาวกทำอย่างไร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 รูเท่ารูทันอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเราจึงมาสร้างความพร้อมหลายๆอย่างวัดปฏิบัติเรล่อเวลาการทำของชีวิตสานาวิสัยการของชีวิตคารวานะปฏิบัติหน้าที่ในถูกให้ชอบ ไปอยู่ที่ไหนทำอะไรให้มีความรับผิดรับชอบเพาว่าชอบก็มันถูกต้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นลกูกเป็นหลานเป็นเพื่อนบานต่อถทัถ้งมาอยู่ในวัดป่ า, าร่างต่อดำรงสานักเพศสำนักวิสัยให้อยู่ในความคงเส้นคงวาปฏิบัติธรรม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 ที่จะรับผิดชอบได้ดังมือนกับเขาเดินตามตลาดเขาเลี้ยงหมาก็าจับหมาโอกมันไว้ดึงมันไว้ให้ไปไหนห่างตัวเองเท่ากับว่าสองว่าจับมันไว้อยู่ในการควบคุมชีวิตของเราจะต้องเป็นเช่นนั้นว่ามีกายมีใจมีตามีหูมีจมูกมีลิ่น มีรูปมีรม่กลิ่นมีเสียงมีสติเหมือนเถิดเชือกที่าผูกดึงเอาไว้สัมปชัญญะเชือกสติมันเชือกสมัมปชัญญะเหมือนโด้จฉพากดึงกลับมาอสอนมันเว <c oughs> ลาใดเทวันไม่ถูกกาละเทสสะสอนมันรู้เท่าทันมันะจะให้มันอยู่ยังไงจะให้ไปยังไงสอนมัน ไม่วังทีมันก็เชื่องได้ชีว <c oughs> ิตของเราถ้ามันไม่เชื่องมันก็พโกลนสับสนโกลไปไปหมดเอาทุกอย่างแล้วก็เอาชังก็เอาโกรธก็เอาโลภล้มสุขทุกข์เอาทุกอยาก่อาง่าาลลงาา จ, จริงเราจริงเราเน้นน่ะมันเป็นครูของเราถ้ามองให้ถูก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 ไว้เด็กมันก็ไม่รู้อะไรไปหนุ่มไว้สาวมันจะเอาอะไรแต่ความเป็นพ่อเปแม่ก็เอาดันเจรหอมร้อ ม, อมเล็บเผื่อโลกเผื่อเต่าพอไว้ตรงนั้นแล้วก็ไว้มาเรื่องบุญเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงพอเงินอย่างเดียวมันก็ไม่เอามันต้องเอาชื่อเสียงเกียรติยศเอาบุญบ้างทำบุญบ้าง ทำบุญกุศลโลกเต่าให้เงินให้ทองก็เหลือไว้ใส่ถงุงใส่กระเป๋าพอที่จะไปวัดไปว่าทําบุญทําทานว่าแต่เมก่อนจะ่ไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวมันมันก็ไม่คิดอย่างนี้มันเชืด่ได้เงินเราก็คิดจะไปเที่ยวไปช็อปปิ้งไปซื้อข้าวไปซื้อของกินไปซื้อของกระดับตกแต่เ <c oughs> พชรนินกินดา <c oughs> ตามว้ของเขา แต่ถ้าพวกเรามาถึงปุนนี้มันก็ไม่ได้คิดแบบนั้นทีข้องโบดังตีละ้ังบมวนไม่สนุกสนานกับเสียงเพลงเสียงดนตรีการอยู่การกินทเทียเท่ยวเตะเล่รอดมันก็ไม่เอาแล้วก็คิดแต่บุญกุศลเป็นที่ไหนมีบุญที่ไหนมีทานที่ไหนมีภาวนาต่อไป เขพวกเราที่มานั่งอยู่ที่นี่กว่าจากคนละทิตละทามาปฏิบัติธรรมมาทำบุญพอมาถึงผลนี่ก็ไปให้มันได้อีกอย่าอยู่แค่นี้ไปให้มันถึงมรรคผลในผ่านคือวางถ้าคนเรา่วนมากก็ไปไม่ไปถึงไปหยุดไปหยุดอยู่ตรงไหนก็ไม่เราจะเป็น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 ก็เราสลับลงแล้ววางแล้วไม่มีอะไรอะไรแม้มีอะไรอะไรก็ไม่มีเพื่อไม่มีอะไรอะไรไมีลกูกมีหลานมีทรัพย์สิสนทรัพย์สิสนแ ส, ส, นสดึงคาน์เราไม่มีอะไรเลยในหัวใจเราปากมันก็อย่างนัน้นใจมันก็อย่างนัน้นอ่ก็ไปให้มันถึงให้มันถึงจุดหมายไปทางส่งไปส่งตัวเองไปเคลื่อนย้ายตัวเองไป ให้วางทีก็ต้องก็ต้องไปตั้งแต่ตั้งแต่ตตไหวยังไม่รอให้ท่อให้แก่การแกะ ง, อ, งอมจอมตัวลักตทวเลมากเหมือนตาบอดขํามฝากฝั่งคองหาเหมือนการไต่ไัยลำคานคํามาเหมือนคนข้ามฝากทัวลักตทวเลไต่ขอนไต่ไม้ เดินจ ง, งกม ก, ก็งกงกเงินเงินจะไปวัดไปว่าก็โอ้ยลำบากนั่งจ้องอยู่ไปไม่ได้เลยแบบรอให้เท่าให้แก่ไม่ได้ต้องเดินรีบเดินแต่เนินเนรีบแต่เนินเนรี บ, เ, เ, รบเดินเลย ต, ตื่นแต่ดึกศึกแต่นุ่มรีบไปให้ถึงตั้งแต่มีเลี้ยวมีแหลงตอนนี้เราก็ใช้ชีวิตดูโลกแบบเหนือโลก ไปเรื่อยๆไปเหยียบโลกสองสองขาก็าดังได้นั่งเหยียบโลกิยะขาหนึ่งเหยียบโลกุตตะละควมรู้สึกของเรานะ่ะลดลดทั้งสองลดโลกิยะโลกุตตะละพร้อมที่จะอยู่ตรงไหนก็ได้ให้มัน สมบูรณ์แบบชีวิตของเราโดยเฉพาะตัวปฏิบัตินตัวปฏิบัติเป็นชีวิตที่สมบูรณ์มันผ่านทุกอย่างจึงเรียกว่าสมบูรณ์เช่นเรามาสร้างสติเนี่ยมันผ่านอะไรเยอะแยะนะวันที่จะมาลู่สึกตัวเนี่ยมันแฝกมันผ่านอะไรมาผ่านความสุขผ่านความทุกข์ผ่านความรักผ่านความชังผ่าน ลูบรถกินเสียงมาแล้วจนวาลู้สึกที่กายเคลื่อนกลายไหวมันผ่านอะไรมาแต่ว่าก็ยังเห็นอีกที่มันมาขวางหน้าขวางกัน้นเห็นความงงเงาหัานอนความลังเลสงสัยความคิดฟุ่งสานพยาบาทกามรมาลาขับปฏิฆะมานาทิฏฐิที่มันขวางเอาไว้ เราก็แหวกไปเรื่อยไปเรียกว่าผ่านมันผ่านอุปสรรคผ่านสิ่งที่ขีดขวางไม่ให้รู้สึกตัวตัวรู้สึกตัวมันจงว่าทำให้หลงน่ะเราก็ผ่านผ่านเยอะแยะมีบทเรียนเยอะแยะการปฏิบัติธรรมแบบการจเจริญสติมันเป็นบทเรียนที่หลากหลายหลายรสหลายชาติ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 เพราะมันผ่านมาอย่างสดสดหลอนล่อนด้วยมือของเราด้วยการกระทําของเราพอความรู้สึกตัวเนี่ยมันเปิดนะมันเปิดตอกมันก็เฮ็ดผ่าเนาะถ้าเขาเรียนรู้เรื่องเครื่องยนต์คนใจคนไกลเขาก็ผ่าถึงเวลาที่ผ่าเครื่องยนต์ให้นักเรียนให้ลูกศิษย์ดูเขาก็ผ่ า, ามันก็ผ่าตัด มันหมอที่เรียนหมอเรียนแพทย์ยังไม่ได้มีโอกาสผ่าคนาก็าา ก, ก็ผ่าหมาผ่ากบผ่าเขียดนะในหมอหลายคนมาเขาพ่ไปอยู่สะละัดเขาว่าถามเขาก็กลัวบากเขาจับกบมาผ่าเขาจับหมามาผ่าดูอาว ะ, วะของมันเขาก็ทำ บ, บุญ เราได้ความรู้จากการเอาชีวิตของสัตว์มาเรียนรู้มันก็มาเรียนรู้ของจริงจึ <c oughs> เงเป็นหมอได้เราที่จะเป็นพระตายมันต้องผ่ามันกันต้องเรียนรู้มามันกันมันผ่านจากความเป็นผีเสี่ยงมามากมาเป็นพระได้นะมันตัดอะไรมันแยกอะไรมา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 เราก็ต้องสู้พอสมควรมาชาวบ้า น, นาวันพระวันศีนเตรียมเนื้อเตรียมตัวพอสมควรลำดับลำนำไว้พอสมควรจะเป็นหมอเป็นพยาบาลก็ลำดับลำนำไว้พอสมควร อ, อาจจะอยู่บ้านก็จะดนก็เออเรายังคิดจะไปอยู่โน่นจะไปอยู่นี่ลำดับพอพายตัวเองมาฉันมาถึงแล้วมาปฏิบัติมาลู่สึกตัว เอาก็มาเห็นความหลงความม่วงอีกก็าพาไปเรื่อยๆไปนะต้องผ่านไปเรื่อยๆไปก็พอสมควรนะปฏิบัติควาจะถึงมากถึงผล น, น่ยต้องเพียรต้องมีศรัทธาต้องมีกรรมมีการกระทำที่ต่อเนื่องให้จนได้ไม่ใช่ว่ามาอยู่ฟรีๆเฉยนอนเล่นสบาย คำว่านอนก็คือหลับคำว่าหลับก็หมายถึงไม่รู้อะไรอาจจะเดินเดินจงกรมอยู่อาจจะนั่งอยู่แต่ว่าหลับหลับไปกับความโลภความโกรธความหลงความโลภ ค, ความโกรธความหลงก็ลอยนวลไปได้ไม่ได้เห็นมันคือขโมยที่มาเอาของเราไปก็ เ, เอาไปฟรีๆได้เราไม่ได้เฝ้าไม่ได้ดูแลตัวปฏิบัติ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 คนเฒ่าคนแก่สมัยโบราณพ่อบ้านสามหลังสี่หลังไล่กาไล่ไก่ไปล่องอยู่นั่นตาไม่ได้เห็นเสียงหูก็ได้ยินกามันล่องแต่กำลังกําลังดูแลบ้านหลังนี้เสียงกามันล่องอยู่บ้านแล้งก็ล้องไปเออเออพอเดี เ, ออเห ย, ยวมากินไก่ก็ไล่มันอยู่นั่นถ้างั้นจงไม่จะไม่เรียกพ่าคนพ่าบ้าน การมาดูแลตัวเราเนี่ยก็เหมือนกันก็มาได้หลายทางความหลงเกิดได้หลายทางที่เราต้องเป็นหน้าลอกในความรู้สึกตัวเ <c oughs> ตือนมันอ่าให้รั่วเราอยู่ตรงนี้อ่บางทีมันก็กลัวมันกันแสดงออกถึงว่าเราอยู่ตรงนี้เรากำลังดูแลอยู่มันก็ไม่ดื้อด้านถึงกับ พ่นเอาดอกกิเลสนยมันไม่เหมือนคนคนเป็นยังเอาตะเพือเลยเหมือนโยมบ้านทำมาไปหวานมาเฝ้าสวนหน่อไม้อยู่ทางทิศใต้วัดน่ยก็คลายถุงปุ๋ยมาก้มหักเหน่อไม้เออหนาอไม้ไม่เจ้าของกําลังเฝ้าอยู่นี่อ่ะก็ยังหักเอาอยู่ตะเพื่อบอกเออ เขบอกว่าเฝ้าอยู่นี่เฝ้าอยู่นี่ไปไ ป, ไ ป, ไปยังหักเอาเถเถืโกรธขั้วปืนออกมาเขาจะยิงคนอ่าเขาวิ่งหนีแต่ยังโกรธมาถึงบ้านเขาเห็นหน้ากันอยู่ชาวบ้านก็ยังมาโกรธอยู่มาขัดปืนมาขัดปืนมาขัดลากล้องมาขัดแจ็บมาขัดลกก็ไปยิงเขาโอ้เป็น เมียก็มาบอกลูกชายทีวัดเป็นพระบวชอยู่พอไปห้ามพ่อเจ้าด้วยพ่อเจ้าโกรธ ใ, ใครๆไม่โล่จะไปยิงเขาแล้วมันปาดด้านกันนะพ่อผู้ใหญ่นางพ่อสยกนะมันดื้อมานดานนางเด็คนน้องนางเฝล่าน้าใหม่ยังไปมาหัวกัอขี้เหล็ดกันไม่ดื้อมันดันดอกแอมอย่างเดียวมันก็ไปแล้วอืมะ ว่าเอาาเอเนี่ยคือเจ้าของที่เรียกว่าวิปัสนานะไอ้ปัญนาก็อืมอันหลงก็อืมอันสุกก็เอออันโตก็อืมดูแล้วนะมันก็มันก็หนีหนีไห้ไว้เลยหอกกิเลสนะมันไม่ดื้อด้านมนะันกับคนดอกอันชื่อว่าคนเนี่ยโอ้ห้ากลัวมันโปนเปยขไปหมดเลยมันก็อยู่ในภูมิของชีวิตเรานี่แหละอ่า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 ก็ไม่ใช่ว่าจะว่าให้เดินทั้งวันให้นั่งสร้างจังหวะทั้งวันดอกแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยเมื่อมันมีมือมันเป็นแล้วมันก็รับใช้เราถ้าขอให้มันมีมันจะรักษาเราเองมันเรามารักษาศีลที่แล้วก็รักษาใส่ใจสมาทานเจตนาพอมันปฏิบัติมันทำไปแล้วมันก็ศีลก็รักษาเราสมาธิก็รักษาเรา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 มันจูงไปมาดึงไปเพราะว่าทางด่วนเขาล้อมล้อมรว้เหล็กไม่ให้อะไรผ่านสัตว์สาลาะไสิ่งก็ผ่านอะไรคนก็ผ่านไม่ได้ถ้ายัางไงถ้ารถมันตายกลางทางก็ต้องมีรถกรมทางเขาเขาเขาลอบอยู่ลอบอยู่ลู่อยู่ยช่วยช่วยปัญหาแก้ไขปัญหาพวรู้สึกตัวก็มันกันศีลก็มันกันสมาธิก็มันกันปัญญาก็มันกัน มันเพื่อการนี่โดยตรงนะถ้เราฝึกหัดขอให้ทำให้มันเป็นให้ได้บทเรียนให้ทำให้เป็นแล้วก็เราท่องมุนท่องจำอะไรต่างๆมันบอกไปเลยอย่างท่องพระหงษอย่างนั้นพรหงสหัสสมะพิเนมิตัสาุทันตังครีเปตังมันไปก็ันเองมันไปถูกด้วยเป็นจังหวะเป็นความเป็นคำพูดที่ต่อไป เมื่อหลวงพ่อเทศมันมามันสนับสนุนมามันก็เป็นสายเป็นเรื่องของมันไปว่าได้จับต้นชนปลายไม่ใช่มันไปของมันตามศีลตามธรรมเห็นมีกิเลสมันก็มีความไม่มีนะมันเป็นคู่กันอยู่แต่สิ่งไหนที่มันไม่เป็นคู่กันมันก็ไม่ใช่ทําได้ปฏิบัติได้ เป็นความโกรธปฏิบัติให้มันไม่โกรธเนี่ยปฏิบัติได้อยู่ความหลงปฏิบัติให้มันไม่หลงเนี่ยทําได้อยู่ความทุกข์ปฏิบัติไม่ให้มันเป็นทุกข์ก็ทําได้อยู่ความโกรธปฏิบัติให้เป็นเป็นความโกรธก็ทําได้อยู่มันทําได้อยู่หรือว่าปฏิบัติได้ขอให้เราสร้างพลังตัวนี้สร้างความรู้ตัวนี้แล้วความรู้ตัวนี้มันก็หโหที่จะใช่จริงๆมาลูกายมาลูกรายไม่เห็นกาย ตายมันก็จะสอนเราไว้เห็นเวทนาเวทนาก็าจะสอนเราไว้เราผ่านเวทนาไว้เห็นจิตที่มันคิดมันต้องเห็นเพราะมันมีอยู่นี่แต่เราก็เห็นจิตอยู่เรื่อยๆที่มันคิดอยู่เรื่อยๆเห็นทีแรกก็บอหนักนะมาแรงเหลือเกินความคิดเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้แล้วต้องวันไว้ไปแล้ว แลวบางคนก็อยู่ไม่ได้จริงๆเปียงไม่เห็นงูใหญ่เลื่อยหน้าปกติก็อนอนไ่หลับกลัววาดมโนภาพคิดไปใหญ่ขนาดนี้มันต้องกินคนได้ทำยังไงมันไล่ขนาดนี้หรือมันเกิดอะไรขึ้นใจเราทำไมจึงมาอย่างนี้กลางวันแท้ๆเป็นเคสเคนเวนใครอะไรเจ้าป่าเจ้าเขาอะไระเจ้าของอะไร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 ที่มันใหญ่มามากมันใหญ่มานานแล้ว <catalyst S 1> ลเสิ่งเหล่านี้มันใหญ่มาหลายปีแล้วยี่สิบสามสิบปีแล้วเวทนาในมันเกิดขึ้นเป็นสุขอดีเป็นทุกข์อดีที่จะให้มันเกิดเวทนาที่มันชอบที่เวทนาที่มันไม่ชอบมันอยากให้มี ladı. เวทนาที่มันชอบมันก็ปฏิเสธอันสิ่งที่มันไม่ชอบมันต้องการสิ่งที่มันชอบผลขวัญในสิ่งที่มันชอบมันใหญ่ขนาดนั่นเลย ดูมันดีๆนะมีสติดีๆเอาไว้รูสึกตัวรูสึกตัวอ่ามีมันมีทำให้มันอ่อนอยู่เหมือนเหมืนเครื่องอ่าฉลอน้้ำหนักเหมือนน้ำที่มันไหลมาแรงๆเอามีพมีก้อนเห็นมีตอกระจายความแรงของน้ำไปมันไปชด ตอนนี้มันด่ไปตอนนั้นมันดะไปตอนนี้น้ํามาแรงแรงก็อ่อนลงไปความรู้สึกตัวมันเหมือนเหมือนอย่างนั้นหละมันมาแรงขนาดไหนมันขั้นไปนิดตนอมันก็กระทบแล้วกระทบแล้วอ่อนลงแล้วอ่อนลงแล้วอ่อนลงแล้วเหมือนเขายิงปืนมันปืนแตกไปถูกเสาถูกเสาก็เดินไปถูกคนมันชะลอกวามแรงถูกคนก็เข้านิดตอนให้เก็บให้ประมานกัน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 ความรู้จักตัวเนี่ยเหมือนๆกันรู้จักตัวเรามันบอร์เข้าลบได้เลยจะเป็นสุขก็ลบกับความสุขได้จะเป็นทุกข์ก็ลบกับความทุกข์ได้ไม่เก็บความทุกข์ก็ไม่เก็บความสุขก็ไม่เก็บไม่กระทบกระเทือนเลยถ้ามีความรู้จักตัวนะเหมือนเกาะถ้าไม่มีความรู้จักตัวก็เจ็บปวดสุขก็หมดเนื้อหมดตัวเปบความสุขทุกข์ก็หมดเนื้อหมดตัวไปกความทุกข์ โกรธก็หมดเนื้อหมดตัวไปกับความโกรธโลกหลงก็หมดเนื้อหมดตัวไปกับความโลกความหลงเจ็บปวดอ่อนแอมากบอบบางมากคนขาดสติวอนไว้ได้ง่ายมันยอดไม่ที่อ่อนถูกอะไรนิดหน่อยก็ขาดไปแล้วไม่มีอินทรีย์ไม่มีพลังเรามามีสติบรรมันสร้างอินทรีย์สร้างภูมคุ้มกัน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 ไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับเพศตอกแต่ลุยเรื่องนี้นะ่ะลุยได้ทุกคนเหมือนหลวงพ่อไปลุยนําแข็งอยู่ประเทศอินโดนีเซียการไปสารพาไปพอเดินไปเดินไปเดินไปมันไม่ไหวนะเพราะความแก็ของเราก <c oughs> ารไปศาลยังเดินเจย์เจย์เจย์เจยผาขมวดโดนลยุยใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าใส่รองเท้า พ่อเขาเลยไปลลยไปเดินไปเดินไปห่มผ้าไปอือไม่ไหวเราจำไปศาลนะแต่ว่ามันก็มีม้าเดินตามไปเรื่อยๆถ้าไม่ไหวเขาก็ให้ขี่ม้าไปผมจะขี่มา้าผมจะขี่มา้าไปไม่ได้หรอกน ะ, อะพอทะยุขี่มา้าแล้วพ อ, อเรียกมา้ามามา้มาก็าจับเราเขาจับมา้าขึ้นขี่มา้าเขาก็จูงให้เรานะ อะจมให้เรายกยกยกยกไปถึงเขาโอ้ยน้าแข็งก็ยังมีบันไดขึ้นไปอีกอเราต้องเดินขึ้นบันไดไ ป, ไปดูหลุมโผล่เขาไฟอไปดูหลุมโูเขาไฟโูลูเขาไฟลุกเป็นเหวลึกๆอยู่โูเขาไฟลุกนั่นก็เป็นเหมืนกับข่อยหมดลิน่นเราจะข่อยหมดลืน่นพอทะยกอะ มันเล่นเป็นควอยกันนะมันเป็นคู่กันบปะคู่หล่อๆยังมีฝรั่งไปไต่โค้งคมๆนะโอ้ยทําให้พวกเราเสียวไอ้ศิลป์หน้าฝาที่เป็นคมๆสงสุ้นั้นถ้ามันพัดลงไปแล้ก็ไปตกเหวผูเขาไปลุกฟงอยู่ทําให้คนดูเสียวใจไม่อยากดูเลยนะเขาก็เดินเขาก็มีลาวลูกกงเหล็กเพีงไว้เดินไปไหนเขาเพียงไว้แต่ก็จะไปไต่ขอบใครบมดลินน่ะเอาข่อยหมดินนะบไม่ข้าเลย ไตอะไรหนาวห <c oughs> นาวแบางคนก็เก่งมากๆแลยไตหน้าผาไปได้เลยแต่เราดูมันก็เสียวๆเหมือนกันมันไม่เป็นอย่างนั้นดอกการลุยกิเลสการลุยชีวิตของเรานะมันไม่เหมือนลนะุยหิมะน้ำแข็งบางทีเราไปลุยหิมะไปโกยหิมะที่ซิคาโก้เนี่ยตอนเช้าเนี่ยหิมะมันลงน ทางรถเข้าประตูไม่ได้แต่ทางหลวงเขาก็โปรยน้าน้าเกลือโปรยเกลืออยู่มันละลา ย, ยแต่ทางประตูเข้าวัดเนี่ยมันไม่ละลายเขาไม่โปรยให้เราเราต้องไปโปอยออกใส่ชุดไอ้มงวงชุดเราก็ไปได้พั่วได้ได้ไปขุดออกโอ้การขุดน้าแข็งมันไม่ใช่ง่ายนะมันยืนไม่อยู่นะพอเราจับพวจะออกแรงเนี่ยมันก็พาเราไหลไปแอ่ามันมันกาะให้ติดนะ ที่ยืนมายืนน้าแข็งแล้วเราไปขุดน้ําแข็งมันเรายืนบนอากาศเราจะมีแรงได้ไงโอ้ยหล่มลกูกกู่ข้านไม่อ้วนใชรบอกเฮ้ยกลวยน้ําแข็งบ่กลักวที่จะไปขุดได้เล็กๆน้อยๆก็ต้องใช้เวลาเพียนพยายามประคองตนตั้งไว้ถ้าแบบไหนเธอมันจะมีแรงเอาไปทำข้างหนึ่งสองข้างมันไม่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 เห็นความสุขเห็นความทุกข์เห็นควา ม, มง com, าม่วงเมาหอนนอนเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเรานี่มันมีเงื่อนไขอนขอให้เราใส่ใจมีความรู้สึกมีความเพียรมีศรัทธามีสติเข้าไปเสริมพลังเข้าไปพลังเสริมเข้าไป <c oughs> ต้องอาศัยพลังเสริมบางอเหมือนสังทองสีหัวสินไช พอไปเจ อ, เอ <c oughs> ไปเจอแดน ง, งูส่วงสินใสในช่วงไม่ได้ก็เรียกพี่สีโหมาช่วยยังไม่พอต้องเรียกพี่สังทองมาช่วยจึงชนะงูส่วงได้ไ เ, ออเราจะว่าแดน ง, งูส่วงเป็นยังไดไอ้แก้วหราจออนะว่าอะ แดดโม่ช่วงคือพวงโ่วงเอาหอนอนจะพอศีนไส่ในสู้อะไรได้ซ <c oughs> <c oughs> ับประโงไปแล้วซับปะโงไปกันอ้าสู้ไม่ได้เลยมันเป่าใ ส, ส่ตาแล้วล้มไปเลยน่ะศีนไส้สู้ไม่ได้คือศีนยังช่วสู่วยอะต้องมีสมาธิคือสีหูคือสมาธิมาช่วยหนักแน่นเข้าไปหนักแน่นเข้าไปเสริมกระลองเข้าไปไมีความมั่นใจไม่หวั่นไห ว, วกับพวงโม่งแค่นี้หรือมัเจ้ารู้สึกตัวตัวไปไม่ สมาธิเข้าไปเสริมสมาธิเข้าไปช่วยสินแต่สมาธิกับสินไม่พอเอา้าปัญญาปัญญาอะไรลุกออกไปเดินจงกลมดูท้งฟ้าปัญญาแล้วนั่นน่ะนะดูดยอดไม้ดูก้อนเมฆดูทิศดูทางเอาล่อไปแลันหายวับทันทีแล้ววนะเนี่สังทองศินใส่สีหสีหสินใส ส, ส, ส, นใ ส, สังสีหสังทองคือคสินคือสมาธิปัญญา ผาดงพงไฟไปเอาสมุนทากลับมาสุมนทาก็คือสุคือบริสุทธิ์มนทาคือมนฑินไม่เปืเป่อเพื่อนกิจใจสุดีงามเมื่อกี้มันรู้สึกตัวหรือว่าสุพอหมดความรู้สึกตัวแล้วมนทินคือมนทาขามโมยไปแล้วไปสู่ความมุงไปสู่ความคิดไปสู่ความรักความช่งสุขทุกข์อะไรต่างๆมันเปลือนไปแล้ว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 สนุกกับอารมณ์ปุงป่งๆแต่งๆกนะารปฏิบัติหลากหลายในรถในฉาติรถของพระธรรมรถของอธรรมอธรรมคือไม่ใช่ธรรมความโลกควาโกรธความหลงความงมงเมาหอนอนความลังเลสงสัยคนรู้สึกตัวที่มีศินมีสมาธิมีปัญญามีความใส่ใจมีความเพียรมันมีชั่งเชิงเหนือกว่านะ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 ผ่านหน้าผ่านตาเราอยู่เสมอได้ศึกษาอยู่เรื่อยๆได้พบได้เห็นอะไรอยู่เรื่อยๆอหลายหลายฉาบนะองผิดความถูกความสุขความทุกข์ความอะไรต่างๆให้มันจะมาในทางไหนจะมุดตินมาจะลอยมาได้เท่านั้นเรารู้จักตัวเรารู้จักตัวจนไปเห็นหลักเห็นแหล่งเห็นหลักฐานของมัน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 ต่อมัก็เป็นรูปเชือกแต่เวลาจะใช่มันใช่ไม่ได้เราจะใช่เสร็จมันก็ขาดต่อกขาดตอ ก, ตอกโอ้พระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวในที่สุดก็เสียดไปมันมาคืนมาไม่ได้เพราะฉะ น, นั้นให้ปฏิบัติธรรมมันไปทางนี่แน่นอนพอเราได้เดินอยู่ตรงนี้แล้วทำอยู่ตรงนี้และไม่มีเลยในตัวโลดตัวหลงมลไมีกุศลไม่อภิศณ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 มันก็หลวงพ่อมา <c oughs> จากหาจใหญ่มาขึ้นเครื่องบินที่กรุงเทพมาคอนแกนเนหลือเวไลาไม่เท่าไหร่ไอเออคชัยคุณคนดดนัยที่มาเคยมาบทอย่างนีน้มันไม่มันไม่ถึงววปะปะปะแลวพ่อป๋าป๋ารับรองว่าไม่ไม่ได้เวลาแล้วถ้าวิ่งอย่างนี้ไม่ได้เวลา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 ได้เวลาทันทีเลยถึงคราวเล่งก็ต้องเล่งบ้างนะพวกเราได้โอกาสก็ไปให้ได้พอได้โอกาสก็เยินเชิงเ อ, อชางา้ง้าอยู่ไม่ไปแล้ก็ไม่ไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเลยก็มาขวงกันตกหลังไปเรื่อยๆตกหลังไปเรื่อยๆนะพอที่จะรูต้ตรงไหนก็รู้ไปนะพอมันหลงตรงที่มันหลงรู้ไปตรงนั้นแสงความหลงแสงความทุกข์แสงความโกรธแสงความโลภแทงความรั ก, ค ว, กความสั่งไป ต้องแซงต้นนั้นแหะไม่แซงมืนอวงหน้าอยู่ตลอดไปต้องก้าวหน้าปฏิวัติธรรมนี่ก็เป็นวันธรรมาชานะพ่อสินแม่สินจะพากันมาสมระานสินอาตั้งใจสมาะานสินประกาศสินสืบต่อไป